จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21รัชภาคมอพระพธศ้าสังกฐาน2 5 5 9เป็นวันหลังวันวิสาขบูชาที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้ พดีเมื่อวานนี้ไม่ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับวันวิสาขะเลยใช้โอกาสวันนี้ได้มาแสดงธรรมให้ญาณโยมได้เห็นความสำคัญของวันวิสาขะบูชาว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรวันวิสาขะก็คือวันที่ในเดือนวิสาขะสมัยพุทธกาล เดือนหกนี้มีชื่อว่าวิสาขะแล้วก็มีการดูชาเนื่องมีเหตุสำคัญสำคัญอยู่สามวันด้วยกันคือเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตัดสรุและวันเสด็จดับขันธ์ธปรินิพานของพระาอารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศ า, าสดาผู้มีพระคุณ อันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกพระพุทธเจ้าได้ทรงกำเนิดในราชกุลของสกสัตต์มีนามาเจ้าชายสิททัตะและได้มีการพยากรณ์ไว้ตอนที่ทรงประเสริฐขึ้นมาใหม่ๆว่ามีความเป็นไปได้สองทางด้วยกันคืออนาคตของเจ้าชายสิทัตะ น, นี้ ถ้าอยู่ในเพศของคารวาสก็จะได้เป็นพระมหาจากักพาธแต่ถ้าได้ทรงออกบวชก็จะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่จะมาช่วยพาสันโลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่นการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือคำทำนายของโหราจาร์ต่างๆ ยกเว้นมีโหราจารย์อยู่รูปหนึ่งที่ได้พยากรณ์ว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ทรงประสูติขึ้นมาใหม่ๆพอพระราชบิดาเจ้าชายสุโทโธทนะได้ยินคำพยากรณ์ก็เลยมีความวิตกคือ ไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชอยากจะให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในเพศของขารวา่าเพื่อสืบทอดทราราชสกุลและสร้างความยิ่งใหญ่ไพศาลให้แก่ราชสกุลเพราะจะได้ไปเป็นพระมาหาจักร พ, พรรดิพระองค์จึงทรงหวนห้อมร้อม ความสุขทางโลกต่างๆให้แก่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทรงสร้างปราสาทสามฤดูเพื่อให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายทรงให้มีนางสนมกำนันมีบริษัทตริเวนมาให้อำนวยความสุขต่า ง, างๆให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะและทรงห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในพระราชวัง แต่พระเจ้าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถนี้ก็มีความสนใจมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่ในพระราชวังมานานก็เกิดความอยากจะรู้ว่าภายนอกวังนอกกำแพงของวังมีอะไรบ้างก็เลยเล็ดลอดออกไป คือพระราชบิดาไม่ส่งอนุญาตให้ออกไปประาพาสทอดประเนศสิ่งต่างๆที่อยู่นอกพระราชวังจึงวันหนึ่งจึงใช้มหาเล็กพาลักลอบ อ, ออกไปสู่นอกกำแพงของพระราชวังพอออกไปก็เห็นคนหนึ่งเป็นคนชราเดินหลังข้อมมีไม้เท้า คอยพยุงก็สงถามมหาเล็กว่าคนนี้เป็นอะไรมหาเล็กก็บอกว่าคนนี้เป็นคนแก่คนชราไม่ว่าใครก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วต่อไปก็ต้องแก่ต้องชราแบบคนนี้แม้แต่พระองค์เองก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันพอทรงได้ยินก็เกิดความไม่สบายใจ ที่สรงเห็นอนาคตของพ่อองค์ว่าต่อไปก็จะต้องเป็นคนแก่คนชราคนที่มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามร่างกายไม่แข็งแรงไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาพ่อองค์ก็เดินต่อไปก็ได้ไปเจอคนนอนอยู่หน้าบ้านร้องโออกควณคราง ก็ถามว่าคนนี้เขาเป็นอะไรมาแลก็ตอบว่าคนนี้เขาไม่สบายเขาเจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์ทรมาทางร่างกายเป็นอย่างมากมีความเจ็บปวดทางร่างกายและทางจิตใจเป็นอย่างมากแม้แต่พ่อองค์เองก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นกันพอได้ยินว่าจะต้องเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วย ก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาความไม่สบายใจขึ้นมามากขึ้นไปแล้วพอเดินไปได้ศัระยะหนึ่งก็มีขบวนนาคนตายไปทาชาปนกิจก็ถามว่าคนที่เขาแบกอยู่นี่เป็นอะไรมหาเล็กก็ตอบว่าเป็นคนตายเป็นคนที่ถึงจุดสุดท้ายของชีวิตของทุกๆคน ทุกคนที่เกิดมาแล้วจะต้องเดินผ่านความแก่เดินผ่านความเจ็บไข้ได้ป่วยและเดินผ่านความตายไปพอได้ยินอย่างนั้นแม้แต่พระองค์เองมหาเล็กก็บอกว่าจะต้องตายเหมือนกับคนที่กำลังถูกแบกหามอยู่นี่พอได้ยินได้ฟังก็เลยทรงเกิดความวิตกเกิดความกังวลเกิดความ ไม่สบายใจไปนา น, นมากเพราะทรงเห็นว่าอนาคตของพระ อ, องค์นี้มีแต่สิ่งที่ไม่พึื้นปรารถนาคอยอยู่ก็เลยเดินต่อไปก็ไปเห็นสั ม, มะนักบวชก็เลยถามว่าเล่าคนนี้เขาเป็นใครเขาถึงแต่งตัวแบบนี้เขาปหาหันเลยก็บอกว่าคนนี้เขาเป็นนักบวชเขาเป็นผู้แสวงหา การไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอได้ยินว่ามีการแสวงหาความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็มีทรงพระไทยมีความดีใจขึ้นมาว่ามีโอกาสที่จะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอันนี้เป็นสิ่งที่ทรงได้เห็นในวันที่เสด็จออกมาเที่ยวนอกวัน แล้วก็เป็นภาพที่ฝังอยู่ในพระไทยของพรเองคอยู่ตลอดเวลาทุกวันจะนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายจะนึกถึงการไปเป็นนักบวชเพื่อหาวิถีทางที่จะนำพาไปสู่การหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็มีเหตุที่จะปรากฏขึ้นมาคือพระมเหสี ของพระ อ, องค์ได้ทรงคลอดพระราชโอรสเมื่อทรงได้รับทราบข่าวก็ทรงมีความดํางเหลวว่าราหุนคือลูกนี้พระ อ, องค์ทรงบอกว่าราหุนแปลว่าบ่วงตอนนี้เกิดบ่วงขึ้นมาแล้วถ้าอยู่ต่อไปก็อยู่ในวังต่อไป ก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปหาทางสู่ความไม่แก่ความไม่เจ็บความไม่ตายก็เลยทรงตัดสินพระทัยในคืนนั้นว่าจะต้องออกบวชแล้วก็เลยหนีออกจากพระราชวังไปในคืนนั้นโดยไม่บอกใครเพราะทรงรู้ว่าถ้าบอกก็จะไม่มีใครอนุญาตให้พระองค์ไปได้ พระ อ, องค์ก็เลยต้องไปในยามดึกโดยที่ไม่บอกให้ใครรู้มีมหาเล็กติดตามไปคนหนึ่งเท่านั้นเองเพื่อไปเอาม้ากับนี่คือเรื่องของการออกบวชของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงเห็นอนาคตของพระ อ, องค์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างยิ่ง จึงเห็นว่าพราะองค์จะต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บน่าเป็นคนตายพรองก็เลยไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็เลยเห็นว่ามีทางที่จะทําให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้คือการออกบวตพระองค์ก็เลย ส, สะละราชสมบัติสะละความสุขของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ไปอยู่แบบนักบวชซึ่งอยู่แบบขอทานเพราะจะต้องบิญทบาศขออาหารจากชาวบ้านตามมีตามเกิดที่อยู่อาศัยก็ไม่มีเป็นหลักเป็นแหล่งต้องหาไปตามมีตามเกิดอยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามถ้าบ้างอยู่ตามเงื้อผาบ้างอยู่ตามเรือนร้างบ้างเสือ้อผ้า คืนจีวรเครื่องนุ่งห่มก็ต้องไปหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าผ้าหอ่อศพเพื่อที่ไปเอามาซักเอามาย้อมเอามาตัดเอามาเย็บให้เป็นผ้าจีวรการอยู่ระหว่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะกับการอยู่ของส ม, มณะโคดมคือของนักบวช หลังจากที่ทรงออกบวชแล้วก็มีสัมมีชื่อหมายว่าสมมาโคดมตอนอยู่ในวังก็เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอยู่อย่างสุขอย่างสบายความสุขสุดยอดของมนุษย์แล้วก็ต้องบางเปลี่ยนอยู่แบบความยากลําบากต่ําต้อยที่สุดของมนุษย์คืออยู่แบบขอทาน แต่พระ อ, องค์กลับไม่เกิดมีความท้อแท้แต่กลับมีความยินดีเพราะมีความปรารถนานแรงกล้าที่อยากจะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายถ้าจะต้องลำบากยากเย็นถึงกับตายไปพระ อ, องค์ก็ทรงยอมถ้าสามารถทำให้พระ อ, องค์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาย หวุพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้อง์ก็เลยมุ่งไปสู่การศึกษาและปฏิบัติเพื่อที่จะพบกับวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายก็ทรงไปศึกษากับอาจารย์อยู่สองรูปอาจารย์สองรูปก็สอนให้เข้าสู่สมาธิเพื่อเป็นการ หลีกเลี่ยงความแก่ความเจ็บความตายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเวลามีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ให้เข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบแล้วจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เขาก็สอนได้เพียงเท่านี้แต่ยังไม่สามารถที่จะสอนไม่ให้กลับมาเกิดใหม่ ไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเวลาที่ออกจากสมาธิมาพราะองค์ยังมีความปรารถนาว่ายังไม่พอเพียงยังต้องกลับมาเกิดเมื่อต้องกลับมาเกิดก็ยังต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปองค์ ông, จึงทรงต้องไปศึกษาค้นคว้า หาความจริงด้วยพระ อ, องค์เองหาทางที่จะทำให้พระ อ, องค์ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายน้งจากที่ได้ลองผิดลองถูกอยู่ระยะหนึ่งในที่สุดก็ได้ค้นพบความจริงของความเกิดว่าเกิดจากตัณหาความอยากสามประการคือการมตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ภาวะตัหาความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้คนรักอยากให้คนจันรสนเยินยอและประการที่สามคือวิภาวตันหาความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้เช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ถ้ามีความอยากสามประการนี้อยู่ในใจใจจะดิ้นจะทุกข์และจะหนีสิ่งที่ไม่อยากได้เช่นความแก่ความเจ็บความตายพอดิ้นหนีก็จะทําให้ไปเกิดใหม่เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วหรือการมีความอยากมีอยากเป็นก็จะพาให้ไปเกิดใหม่เพราะเวลาที่ตายไปก็จะสูญเสียทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ เช่นเป็นเศรษฐีหรือเป็นพระราชามาหากษัตริย์พอตายไปการเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามาหากษัตริย์ก็จะถูกลิบไปกับความตายแต่ความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยยังไม่หมดไปจากใจก็จะดึงใจให้กลับมาเกิดใหม่กลับมาได้ร่างกายอันใหม่ เพื่อจะได้มาเป็นเศรษฐีเป็นมหากษัตริย์ใหม่แต่การได้มาเกิดก็จะต้องมีของติดตามมาด้วยคือความแก่ความเจ็บความตายทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดมากี่ครั้งไม่ว่าจะไปเกิดภพไหนก็จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาทุกภพทุกชาติ <c oughs> พระองค์ก็เลยทรงพิจารณาไปพิจารณามา เรียกว่าจเจริญวิปัสสนาภาวนาใช้เหตุใช้ผลวิเคราะห์ดูจนในที่สุดก็รงค้นพบสัจธรรมความจริงว่าความทุกข์ใจรู้ความเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากความอยากต่างๆสามประการนี้และการที่จะหยุดความอยากได้หยุดการมาเกิดแก่เจ็บตายได้ ก็จะต้องมีเครื่องมือคือมรรคที่มีองค์แมรรคที่มีองค์8ถ้าล้วมย่อลงมาก็เป็นทานสิงภาวนาถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องทำทานสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปให้หมดไม่ใช้เงินทองทําตามความอยากต่างๆใช้เงินทองเพียงแต่ไว้สำหรับ ซื้อของจําเป็นให้แก่ร่างกายที่ไม่ถือว่าเป็นความอยากร่างกายต้องอยู่ต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่หงห่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยก็ต้องหามาให้กับร่างกายเพราะยังต้องใช้ร่างกายในการบำเพ็ญในการปฏิบัติเพื่อกาจัดต้นเหตุต้นต่อของความเกิดแก่เจ็บตายคือความอยากต่าง แต่จะไม่ใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากเช่นเห็นรองเท้าเห็นเสื้อผ้าเห็นสินค้าอะไรถูกอกถูกใจก็อยากได้ถ้าอยากได้ก็ซื้อตามความอยากนี้ก็จะเป็นการสร้างส่งเสริมความอยากให้มีกําลังมากขึ้นให้ดึงจิตใจไปเกิดใหม่ต่อไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่า อย่าใช้เงินซื้อของตามความอยากต่างๆไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็ตามหรือการหาความสุข ด, ด้วยใช้ด้วยการใช้เงินทองนั่นอยากไปเที่ยวก็ใช้เงินไปเที่ย ว, ย ว, ยวอยากจะไปดูภาพยนตร์ดูละครก็ไปใช้เงินไปเที่ยวส่งสอนว่าอย่าใช้เงินแบบนี้เพราะจะทำให้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อย ให้ใช้เงินด้วยการทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดก็คือเอาเงินไปทำบุญทาทานแทนทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเอาเงินที่จะซื้อความสุดนี้ไปทำบุญไปให้คนอื่นเขามีความสุขเช่นวันนี้ญาติโยมแทนที่จะไปเที่ยวญาติโยมก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาซื้อข้าวของต่างๆ เพื่อมาทำบุญใส่บาตรมาถวายสังฆทานให้แก่พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัด น, นี้<ม>การกระทนอย่างนี้จะเป็นการสกัดความอยากคือไม่ทำตามความอยากเอาเงินที่จะใช้ไปทำตามความอยากมาทำบุญแทนแล้วจะทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงมีความอยากน้อยลงไป ทุกครั้งที่เราไม่ทำตามความอยากความอยากจะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะหายยากจะไม่อยากหาอะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรนี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้าถ้าเรายังใช้เงินเพื่อทำตามความอยากต่างๆให้เรายุติได้ แล้วเอาเงินมาทำเ ง, งินแทนหรือเก็บไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นไว้ดูแลรักษาร่างกายเวลาเจ็บไข้หน่ายป่วยเวลาไม่มีอาหารรับประทานเวลาไม่มีที่อยู่อาศสยเวลาไม่มีเครื่องนุ่งหง่มก็ใช้เงินนี้ซื้อสิ่งต่างๆที่จำเป็นได้เพื่อที่เราจะได้มาต่อสู้กับความอยากอีกสองขั้นด้วยกัน ขั้นที่สองของการต่อสู้ความอยากก็คือไม่กระทำบาปต่างๆตามความอยากเวลาอยากจะรักทรัพย์ก็ไม่รักทรัพย์เวลาอยากจะพูดปดก็ไม่พูดปดเวลาอยากจะประพฤติผิดประเวณีก็ไม่ประพฤติผิดประเวณีเวลาอยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเวลาอยากจะดื่มสุรายาเมาก็ไม่ดื่ม ถ้าฝืนความอยากต่างๆได้ต่อไปก็จะสามารถรักษาสินห้าได้อย่างบริสุทธิ์จะไม่มีโทษตามมาเพราะถ้าทำบาสนี้ด้วยความอยากตายไปจะต้องไปรับใช้ผลบาปในอบายต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกนรกแต่ถ้าไม่ทำบาปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบาย ถ้ายังยุติการเกิดแก่การเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้อย่างน้อยก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาต่อสู้กับความอยากใหม่แล้วเราก็จะทำให้มีกำลังที่จะหยุดความอยากเพิ่มขึ้นได้อีกสข้อการหยุดความอยากหรืออยากทาบาป5ข้อคือศีลห้าแล้ว เราก็จะเพิ่มเป็นศีลแปดได้ศีลแปดก็ทําให้เราหยุดความอยากร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราจะอยู่แบบพระอยู่แบบนักบวชคือจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนนี่คือศีลแปในข้อที่สจากการเมคือการไม่ประพฤติผิดตัเวณีก็เปลี่ยนมาเป็นอบรบมัจาริยาเวรมณี คือจะไม่ร่วมดับนอนแม้แต่เป็นคู่ครองของตนสามีหรือภรรยาจะไม่หาความสุขแบบนี้แล้วก็จะละเว้นการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วรับประทานพออยู่ได้ก็พอไม่ต้องรับประทานทั้งวันทั้งคืนร่างกายนี้รับประทานเพียงมือ้อสองมื้อก็อยู่ได้แล้วอย่าไปหาความสุขจากการรับประทานอาหาร เพราะจะทําให้ต้องกลับมาเกิดใหม่พาะมีความอยากถ้าทำด้วยความอยากแต่ถ้ารับประทานด้วยความจำเป็นเหมือนกับเติมน้ำมันรถเวลาน้ำมันรถหมดก็ต้องไปว่าเติมน้ำมันแต่ถ้าน้ำมันยังไม่หมดก็ยังไม่ต้องไปเติมเติมมันทีเดียวก็เติมให้มันเต็มถังไปเลยรับประทานอาหารก็กินมันทีเดียวให้มันอิ่มท้องนั่นท้องไปเลยแล้วก็ไม่ต้องกินอีกจนกว่า ถึงวันรุ่งขึ้นกินวันละเมือก็อยู่ได้นี่คือวิธีอยู่ของผู้ที่จะต้องการทำลายความอยากที่เกิดจากการรับประทานอาหารแล้วก็ให้หยุดความอยากที่จะหาความสุขจากพวกบันเทิงมหาห่อรศต่างๆไม่ไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆลงภาพยนตร์ลงวิเกลงน้ำชาผับอะไรต่างๆนครบในเข็ โรงละครไม่ไปงานเลี้ยงงานอะไรต่างๆก็ไม่ไปจะอยู่วัดหรืออยู่บ้านเพื่อมาหยุดความอยากด้วยการบาเพ็ญจิตตะภาวนานี่คือการปฏิบัติขั้นที่สคือภาวนาการภาวนานี้จะหยุดใจให้อยู่เฉยๆเวลาใจอยู่เฉยๆความอยากก็จะไม่สามารถทำงานได้ ความอยากก็จะหายไปชั่วคราวแล้วก็จะเกิดความสุขเพราะใจนี้จะสุขหรือจะทุกข์ก็อยู่ที่มีความอยากหรือไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากหรือความอยากหยุดไปความสุขก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเวลาใดที่ความอยากโผล่ขึ้นมาเวลานั้นความสุขก็จะหายไปความทุกข์ความกังวลความกรวนกระวายกระสับกระสาย ก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีดังนั้นถ้าเราอยากจะหยุดใจของเราหยุดความอยากของเราเราก็ต้องมาจเจริญส ม, มถะภาวนาคือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบวิธีจะทำใจให้สงบได้จะต้องใช้สติควบคุมบังคับไม่ให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆอุบายของ การมีการสร้างสติก็มีอยู่หลากหลายวิธีมีอยู่40ชนิดเรียกว่ากรรมฐาน40แต่เราไม่ต้องใช้ทั้ง40ชนิดเราเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งเพื่อหยุดความคิดเราจะใช้คำบริกรรมพุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติเราจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติ เวลานั่งหลับตาเราจะใช้ดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปณะสติใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีใจจดจอ่ออยู่กับสติอยู่กับอารมณ์ต่างๆใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอไม่คิดใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอใจสงบแล้วความอยากก็จะหยุดทำงานเหมือนกับเอาหินไปทับหญ้าไว้ เวลาหินทับหญ้าหญ้าก็ไม่สามารถเจริญงอกงามขึ้นมาได้แต่หญ้ายังไม่ตายเวลายกหินออกเดี๋ยวพอได้น้ำได้อะไรหญ้าก็จะงอกงามขึ้นมาใหม่ชั้นใดความอยากก็เป็นอย่างนั้นเวลาอยู่ในสมาธิความอยากก็หายไปชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาพอมาเห็นขนมนมเลยเห็นกาแฟ เห็นแฟนเดี๋ยวก็เกิดความอยากอยากจะกินกาแฟกินขนมอยากจะไปหลับนอนกับแฟนวิธีที่จะทำให้ไม่อยากก็ต้องใช้ปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาให้มองให้เห็นว่าแฟนนี้เป็นทุกขกาแฟนี่เป็นทุกขนมนมเนยนี่เป็นทุกขเป็นทุกเพราะอะไรทุกเวลาที่ไม่ได้กินนั่นเองเวลาอยากกินแล้วไม่ได้กินมันก็จะทุก เวลาอยากนอนกับแฟนแล้วไม่ได้นอนมันก็จะทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรมารับรองว่าแฟนจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรมารับรองว่าเราขนมนมเนยเครื่องดื่มต่างๆจะอยู่กับเราไปตลอดและไม่มีอะไรมารับรองว่าร่างกายที่เราจะใช้ในการกินขนมนมเนยในการดื่มเครื่องดื่มต่างๆในการหลับนอนกับแฟนจะ เป็นร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปเรื่อยๆมันจะต้องมีวันที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยวันที่มันแก่หรือวันที่มันตายมันก็จะไม่สามารถที่จะทำตามความอยากได้พอไม่ทำตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือต้องมองให้เห็นว่าการทำตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์ในที่สุดถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะ หยุดความอยากได้ไม่อยากจะทำอยากจะกินกาแฟก็ไม่กินอยากจะกินขนมก็ไม่กินเพราะรู้ว่าวันที่อยากกินแล้วไม่ได้กินจะเป็นอย่างไรให้มองอย่างนี้แล้วจะสามารถหยุดความอยากได้พอเราสู้กับความอยากด้วยปัญญาด้วยสมาธิต่อไปความอยากก็จะหมดกาลังไปความอยากก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจ ใจก็จะนิ่งสงบตลอดเวลาเป็นนิพพานไปเป็นบรมีสุขแล้วก็จะไม่ไปเกิดใหม่อีกต่อไปเพราะเชื่อหรือต้นเหตุของการไปเกิดนี้ถูกทำลายถ้าเป็นต้นย่า ก, ก็ถูกถอนรากถอนโคนขึ้นมาหมดต้นย่านี้จะไม่มีวันที่จะเจริญงอก ง, งามต่อไปได้พวกเราจิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนต้นยา่า ที่พวกเราจะต้องถอนรากถอนโคนมันขึ้นมาให้ได้ถอนความอยากถอนความหลงที่เป็นเหตุทำให้เกิดความอยากโดยเอาความจริงมาสอนสอนให้รู้ว่าการทำตามความอยากจะนำพาไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้นี้ไม่ช้าก็เร็วเราจะไม่สามารถหามาได้หรือสิ่งที่เรามีอยู่มันอาจจะต้องจากเราไปในที่สุด คือให้เห็นว่าทุกอย่างนั้นในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่ถาวรเป็นอนัตตาไม่ใช่สมบัติของเราสักวันหนึ่งเราจะต้องพัดพากจากสมบัติต่างๆไปเวลาพัดพากจากกันเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือขั้นตอนของการทำลายความอยากที่เป็นต้นตอของการมาเกิดแก่เจ็บตาย ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบและได้ท่งปฏิบัติจนทําให้พระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพระองค์ก็ทรงมีความปาฏิหาริย์ดีมีความสงสารที่เห็นพวกเรายังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่และถ้าพระองค์ไม่มาสั่งมาสอนพวกเราก็จะไม่มีวันรู้วิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เจม ส, ส์สมุทรล เวลาของพระ อ, องค์ทุ่มเทให้กับการสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อให้หลุดพน้นหลังจากที่ทรงสั่งสอนก็มีผู้ที่น้อมนำเอาไปปฏิบัติและได้หลุดพ้นขึ้นมาเป็นจานวนมากเป็นพระอาลันตาะสาวกขึ้นมาเป็นผู้ที่ช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่สั่งสอนคำสอนอันประเสริฐนี้มาจนถึงปัจจุบันนี้ พระคุณของพ่อพระพเจ้าจึงเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่มหาศาลที่พวกเราควรที่จ ะ, สะแสดงความกตัญญูด้วยการทดแทนบุญคุณของพระพุธเจ้าด้วยการกระทาการบูชาที่เรียกว่าอามิสบูชาและปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาก็คือการกราบไหว้ถวาย เครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียนเวลาที่เราเข้ามาที่วัดมาพบกับพระพุทธรูปเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีดอกไม้ทูบเทียนเราก็ใช้เป็นเครื่องสักการะอันนี้เป็นการบูชาในระดับเบื้องต้นยังไม่พอเพียงถ้าอยากจะบูชาได้อย่างครบบริบูรณ์จะต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชา คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำทานรักษาสิ่งและภาวนาถ้าได้ปฏิบัติบูบชาก็จะเรียกว่าได้เป็นการบูชาที่แท้จริงและจะทำให้พระพุทธเจ้าทรงมีความพอใจมีความสุขใจอย่างมากเพราะสิ่งไม่มีอะไรที่พระองค์ทรงปรารถนานอกจากการหลุดพ้นของพวกเรา ที่เกิดจากการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณอยากจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีก็ขอให้เรากระทาการบูชาทั้งสองประการนี้คืออภิสบูชาและปฏิบัติบูชาแล้วเราจะได้พบกับความเป็นสิริมงคลก็คือเราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด นัาที่ได้สรงตัดสอนไว้ว่าบูชาจะบูชาเจนีจะูชานาฮิจำไม่ได้นะเอตัมมังกะละมุตตมังแปล ว, ว่าการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะทําให้ผู้บูชาได้รับผลอันยิ่งใหญ่ก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงขอฝากเรื่องของ การมาทำบุญเพื่อราลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรี ร, รัตนตรัยและบุญกุศล